อย่าลมทะเลพัดมานาวจิตให้ทรณนีชีวิตชื่นใจอย่าลมลือดีมาแทรกซวงในลมอย่าได้นาน้ำนักเลยอย่าลมทะเลพัดมานาวจิตให้ทรณนีชีวิตชื่นใจอย่าลมหรือดีมาแทรกซ้งในลมอย่าได้นาน้ำนักเลยอย่าลมทะเลพัดมานาวจิต ในทรณีชีวิตชื่นใจลมเย็นฤดีมาแตะสวงในลมยาด้หนาวนักนักเลยอยากนมทะเ ล, ล, ล <ง S 1> พัก<ด>มาห <ลง S 1> นาวจิต สมฟังเคี่ยงลมกองครือเสถาสีทองมาพระใบห ล, ลมมาดังเกรียวกราวสุขสันต์ฉันได้เคียงไกลถ้าหนาวไม่เป็นไรขอให้ฉันกอเธอจนะหายหนา พัดมานาวจิตใหโทรณีชีวิตชื่นใจลมเย็นรฤดีมาแตะสวงในลมยาได้หนาวหนักนักเลย อ, อยาบลมทะเลพัดมานาวจิต ผู้สมผู้ชมผู้สร้างให้ถึงวายว่างโดยภทยได้ได้ได้อยู่มาอย่างนี้ได้อยู่ในพื้นแผ่นดินมานี่จังแสนปรานีเหตุนี้จึงเป็นพรณีชีวิต ลมทะเลพัดมานาวจิตให้ทรณีชีวิตเคื่อใจลมเย็นหรือดีมาแตะทรวงในลมอย่าได้หนาวหนักๆเลยอย่าลมทะเล<ห>พัดมา<ห>นาวจิบ